ลมหายใจออกเข้าเป็นกายสังขารสภาพปันเก็กายที่ตกวิจารณ์เป็นสภาพแหงวิงกีสังขารเวทนาสัญญาสังขารมัญญาณเป็นสภาพแ้าแปลงกิบ เนทนาความจำสังขานความตรงเต็มสัญญาความจำจำลูกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโธพธิภพจำธรรมารุณจำในปัจจุบันด้วยจำในอดีตด้วยจำในอนาคต ด, ด้วยสัญญา คือความจําในญญา ส, a, ส, าสัญญารูปะสัญญาสัพท์สัญญาขันธะสัญญาละสะสัญญาโผภชภะสัญญาธรรมะสัญญาที่นี้วิตกรูปะวิตกสัพท์วิตกขันธะวิตกละสระวิตกโภพภะวิตกธรรมะวิตกทีนี้วิจารรูปะวิจารศัพท์วิจารขันธะวิจารละสะวิจารโภชภะวิจาร ธรรมะวิการนี่ถ้ามีความรักใคร่พอใจในสิ่งเหล่านี้ก็รูปะตัณหาสัทธะตัณหาพันทะตัณหาระสะตัณหาโภทะะตัณห า, รหาธรรมะตัณหาตัณหาเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นในอดีตหกสามสิบหก สาเป็นสิบแปดอดีตอนาคตปัจจุบันมีทั้งสามการเอาสามตรคูณสามหกเป็นสิบแปดความทะเยอทะยานลอ่อลวงแต่ว่าของเงินเก่านะที่เรียกว่าตันหา คนเหยื่อทียนในรูปเหยื่อทยานในเสียงเหยื่อทยานในกลิ่นเหยื่อทยานในรถเหยื่อเทรยานในลิ้นเหยื่อทยานในผูธทพระมากระทุกกายเหยื่อทยานในธรรมารมที่มาเกิดกับใจเพราะยังถอนอุปาทานไม่ได้ สิ่งที่พอใจก็เป็นการมรดันหาสิ่งที่ติดอยู่ในความพอใจก็เป็นภาวะตันหาเรืกอกำหนดเพื่อยินดีเผื่อกำหนดมีทุกขสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นวิภาวะตันหาความยึดมั่นถือมั่น ในความพอใจก็ดีในความไม่พอใจก็ดีเป็นกามาพบความยึดมั่นถือมั่นในกลามเป็นกลามาพบความยึดมั่นถือมั่นในรูปเป็นรูปประพบความยึดมั่นถือมั่นในอรูปเป็นอรูุปประพบความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเพราะยานทองแท้มไม่เกิดก็ ถ้ายานของแท้แก่ต้าแล้วสิ่งนั้นนี้ก็ไม่มีเหตุฉะนั้นสมาชิกจึงเป็นเพียงสงบอยู่ชั่วกขาสิ่งนันนี้จะขาดไปด้วยพระปัญญาญาปัญญายะปริสุทธิชติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็พระปัญญาปัญญาโลกัมมีปัจโชโต้แสงสว่างเสมอเวยปัญญาไม่มี สัมมตจะจักุความรอบครอบคือปัญญาปัญญาจักสุความเฉียบแหลมห่วงไวคือปัญญาสติก็ปัญญาอยู่ด้วยกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังสมปัญญัญญะก็มเหมือนกันสมปัญชัญญะความรู้ตัวก็มเหมือนกันสติความะระลึกได้สมปัญชัญญะความรู้ตัว ทำมีอุปการะสองอย่างมีอุปการละมาสองอย่างจะติดความเลนดิดได้สำเปันเนื้อความรู้ตัวถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติอันนี้ถ้าพ้นก็พ้นอันนี้ ถ้ม่พ้นก็ไม่พ้นอันนี้รู ป, ปะสัญญาสัทธสัญญาคันทะสัญญาละสสัญญาผูฏะพสัญญาจัดเข้าในรูปขันธ์ธรรมะสัญญาจัดเข้าในนามขันธ์นามงแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูป นามังมีแต่ชื่อไม่มองเห็นด้วยตาเนาะแต่มองเห็นด้วยตาปัญญาสัพพ น, นามยื่นลงมาหาเอกานามสัพพนรูปสัพพารูปยื่นลงมาหาเอการูปรูปอดีรูป อ, าปอานาคตรูปปัจจุบัน นามอาดีตนามอนาคตนามปัจจุบันเกิดขึ้นแน่แปรปวนแตกกระเจิงเกิดขึ้นแน่แปรปวนแตกกระเจิงเป็นรอบๆถียิบติดกันเป็นพืชเหมือนแสงไฟแสงไฟมันเกิดเรีวดับเรีวจนเป็นเปลวติดกัน ที่เรียกว่าอานิจจังอย่างละเอียดขณะเกตสิกเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นแปรปวนเร็วกว่านั้นดับเร็วกว่านั้นลมหายใจเข้าออกเกิดขึ้นแปรปวนดับไปอย่างยังหยาบอยู่ร่างกายยังสังขารเมื่อจีสังขารยีดตกวิจารณ์ก็เกิดเร็วดับเร็วเหมือนกันแต่คิดตาสังขารเกิดเร็วดับเร็ว ไปกวาอีกตั้งหลายเท่าเป็นทันตติต่อกันอยู่ไม่มีกลางวันกัางืนโลกเต็มไปด้วยเกิดขึ้นเต็มไปด้วยแปลปวนเป็นเต็มไปด้วยแตกสลาย ฟังเสียงใครเป็นจริงอยู่อย่างนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามจริงๆผู้ที่จะพิจารณาตามจริงจริงตามจริงผู้ที่จะรุดพ้นตามจริงจรงมันก็เป็นเรื่องแต่ละลายของแต่ละท่านแต่ละบุคคลอีกพอมารุดพ้นก็ลดพ้นจากความหลงของตนนั่นเอง พิจารณาตามป็นจริงด้วยนุดพ่นามเป็นจริงด้วยพิจารณาเมืองด้วยเห็นแจงน้งชัดเมืองด้วยไม่สงสัยเมืองด้วยไม่สุ่มเดาเมืองด้วยไม่คาดคะเนเมืองด้วย ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่คนละขณะมีอยู่ในขณะเดียวกันเช่นนิ้วมือมีห้า น, นิ้วก็มีอยู่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามแล้วหนึ่งนับหนึ่งแล้วสองจึงจะมีนับสองละสามจึงจะมีไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันมีอยู่ขวเดเนี่ยมันจริงนับได้ชั้นเอกวิีสิ่งที่เกิดขึ้นเปรยป์ป่วนจะแตกจะไหลก็เหมือนกันมีอยู่ในขณะเดียวกัน ไม่ห่าง ก, กันพอเก้าพยับเดชสัญญาความจาเกิดเร็วดับเร็วเหมือนพยัพเดชที่เราซ่องหนังสือบนน่นหนังสืออ่านหนังสืออ่านเร็วเท่าไรก็สัญญาก็ดับเร็วเท่านั้น ท่หนังสือเร็วเท่าไรสัญญาก็เกิดขึ้นแต่ดับเร็วเท่ากันทั้งนั้นจึงยืนยันว่าสัญญาอนิจจาสัญญากับสังขารต่างกันอย่างไรสัญญาก็คือสังขารนั่นเองก็เกิดเป็นดับเองเกิดเป็นดับดับเป็นทุกทุกอุเบกขา กับสังขารต่างกันอย่างไรก็สุขทุกข์อุเบกขาก็คือสังขาร น, น, นั่นเองท่านเปรียบเหมือนหัวฝีเกิดขึ้นแล้วก็แตกสายเธอสวยเวทนาใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีเธออย่าไปติดอยู่เนอะเธอจงรู้ตามป็นจริงกับอกมตร์ัสดา สั่งสอนภาษาดีบุตรเครเวธนาทั้งสามุขเเวธนาก็ดีทุกขเวธนาก็ดีอุเบกขาเวธนาก็ดีก เ, กด เ, เ, กดเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายดุจเหมือนหัวฝีสิ่งไหนที่เป็นมารเธอทั้งหลายอย่ายินดีในมารเถิดมารคืออะไรลูกมารเวทนามารสัญญามารสังขารยามารวินยานมาร รูปกว่าดีเวทนาก็าดีสัญญาก็าดีสังขารก็ดีก็คือมานนั่นเองขันธ์มานมารคือปันจะขันธ์นั่นเองถ้ากิเลสไปหลงมายึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอีกก็เป็นกิเลสมานทีนี้ประพฤติพรหมมจันประพฤติเป็นเทวบุตรเทวดามีความมุ่งหวังเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาเทิพระเจ้าองค์ใดองค์หนึงหน่งกว่าดีเราเรียกว่าเทวบุตรตมาน มันมานะมาทีนี้มานมรณะมานคืออะไรแต่นิสัยจะได้มรรคผลนิพพานอยู่แต่ว่าสิ้นชีวิเสียก่อนเจะแล้วเหนือกว่ามรณะมานเช่นอาณาญาบาดาบทนะมุตตะดาบทนะถ้าหากว่าพระบรมศาสดามาทันถ้าหากว่ายังไม่ตายสามารถจะสําเร็จต้องผลนิพพาน พรบรมศาสดายืนยันอยู่เราตัดสู้แนละ้วเราจะไปหาอนราณดาบทวิตกะดาบทเพราะองค์ท่านเรานั่นมีคุณแก่เราเราได้เรียนวิชาโรกีด้วยเห็นว่ามันเป็นทางตัดสู้เราจึงได้ปรีกนี้คุณของท่านมีเราจะไปโปรดท่าน พอเราไปเทศวิพันชนาธุระทุกครังอนุจังอนาตาแค๊บเดียวท่านเหล่านั้นก็จะเข้าใจความหมายมันสมเหต บ, บักผลในทานแต่ว่าพอระ ล, ลึกไปพอละลึกไปก็มองเห็นเป็นบุคลาธิฐานมาบอกเออท่านมรณะท่าไปแล้วเจยดวันแล้วพระเจ้าข้าเป็นบุคลาธิฐานมาบอกแต่ธรรมะขององค์ท่านนั่นะ แสดงออกโอ้เสียดายนเนาะเสียดายเนาะนี่เรียกว่าเทเรียกว่ามัลละมานมานคือมัดจุมานมานคือมัลละนาะกิเลสมาลมาคือกิเลสคื อ, ค อ, อยังไง กิเลสกีดขวางก็ไม่พาให้แต่สำเร็จมรรคผลนผิพพานในชาตินใดชาตินหนึ่งยกปุถ่าหอนเหมือนพระเจ้าอาชาจะศัตรูพระบะรมศาสนามองเห็นว่ามรรคผลนิสัยมรรคผลนผิพพานของท่านมีแต่ว่าน่าเสียดายท่านประฆาบิดาเสียท่านไม่ไประฆาบิดาท่านจะสําเร็จพระโสดาบันในชาตินี้ นี่เรียกว่ากิเลตมารเพราะมักใหญ่ไฟสูงจะเป็น <c oughs> กษัตริย์แทนพระดาชบิดานี่เรียกว่ากิเลตมารมานคือกิเลสคพามมักใหญ่ไฟสูงมักขัดขวางเสีย นี่มองเห็นอังคุริมาณโจรอังคุริมาณโจรนี้มีสายมรรคผลมีพานอยู่ถ้าเรานานไปกว่านี้อังคุริมาณโจรจะไปฆ่ามานดาบิดาเพราะยังอยู่นิ้วมือนี้เดียวเท่านั้นจะถึงพันนิ้วมือส่วนที่หายไปแล้วกว็ามากอาโข เมื่อบรมศาสตร์าจึงออกลัดท้นทางถ้าเราตถาคตไมต่ไปลัดท้นทางนี้อังคุลิมานโจรจะชิบหายเพราะนิสัยมรรคผลอิพานมีอยู่ถ้าไปฆ่าวีดามัญยาเสียแล้วมรรคผลอิพานของคือจะไม่ได้ในชาตินี้นี่ปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมจึงไม่ไปกีดขวาง พระเจ้าอชาตจะสัตว์ไว้ทำไมจึงปล่อยให้ค่าวิรามานดาก็เพราะองค์มองเห็นอยู่แล้วว่าไม่สำเร็จถ้าเราจะไปจีดขวางก็ไม่สำเร็จพราะกตรของท่านมากไม่มีเส้นจะดึงส่วนอังคุริมานโจรมีเส้นจะดึง เพราะเจตนาฆ่าคนไม่มีเพราะไม่ฆ่าคนโดยโทรศัพเพราะไม่ฆ่าคนโดยมับใหญ่ส่ยสูงถูกกลวงของอาจารย์ต่างหาอาจารย์ลวงกรรมทังหลายก็ตกอยู่กับอาจารย์และลูกศิษย์จะเปพวกนั้น อังคุริมานโจรฆ่าคนไม่ได้มีเจตนาด้วยความโกรธด้วยความแค้นไม่ใช่เพ่ฆ่าแก้แค้นพระอังคุริมานโจรปฏิบัติอาจารย์ดีมากมูเพื่อนด้วยการฤทธิ์สยาหาอุบาย เรียนหนังสือก็ไม่ทันอังคุลิมานโจรทิศสาปโมกเป็นอาจารย์ลูกศิษสี่ห้าคน <c oughs> ปีที่หนึ่งก็ไปฟ้องอังคุลิมานโจรจากผ้าพระอาจารย์นะจงระวังให้ดออีอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ถูกถูกครับพวกกระผมเห็นพิรุษหลายอย่าง ทีนี้ก็เงียบไปปีหลังก็พร้อมกันไปฟ้องอีกว่าอังคุยมานโจรจะฆ่าจริงๆอาจารย์ก็เชื่อไปอีกขึ้นหนึ่งแล้วทีนี้ที่เแรกไม่เชื่อปีที่สามก็ไปฟ้องอีกว่าอังคุยมานโจรจะพยายามฆ่าพระอาจารย์ด้วยวิธีนั้นหนึ่งวิธีนั่นหนึ่งวิธีนั่นนึ่งความเป็นจริงไม่ได้มีอังคุยมานโจรไม่รู้ตัวเลย ไม่รู้ตัวเพื่อนฤทธิสยาไม่รู้ตัวเพื่อนพี่หึงด้วยความสัต์ซื่อของอังคุลิมานโจรเออเขามาฟ้องถึงสามปีแล้วคงจะเป็นจริงตามคำที่เขาว่ายากระนั้นเลยเราจะหาอุบายให้มันไปฆ่าคน ถ้ามันไปฆ่าคนแล้วเขาหาจะฆ่ามันเองถ้าพวกเราฆ่าฆ่ามันลำบากเพราะตระกูลของมันใหญ่โตมโหฬารเป็นคนรวยๆทั้งนั้นที่นี่วิชาสั่งสอนก็หมดแล้วทีนี่อังคุลิมานโจรต้องการวิชาเพาะหัวผีทีนี้เพาะหัวผีนั่นไปเกิดพม่าโลกก็ต้องรู้ไปเกิดเทวโลกก็ต้องรู้ผีที่ตายแล้ว เศ็ษวิชามุลมุนเสยศาสตร์ไม่ใช่มุลในทางของพุทธศาสนาถ้าเธออยากจะได้มุลชนิดนี้เธอจงไปฆ่าคนมาให้เราถหาได้พันคนแล้วร้อยนิ้วมือมาเป็นพวงให้เราเห็นเป็นพยาน อังคูริมานจนก็ลงมือฆ่าคนทีถ้าถูกลวงของอาจารย์เพราะอยากได้วิชาขอหงหัวผีนะั่นถ้าเราได้วิชาขอหงหัวผีแล้วราบของเราจะมากแต่นี่ราบของเราก็มากแล้วแกนึกอย่างนั้นอังคุริมานจนท่านนึกอย่างนั้น คทั้งหลายไม่รูปประวัติอังคุลิมาโจนไม่มองรู้ว่าเจตนาอังคุลิมาโจน <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นหวัดนี่เอาบีบอยู่นี่มานีิบีบอยู่นี่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่นีองเเอาข้างใน นี่พวกเราไม่ได้เป็นปารากิจมาตุขาตเราก็ไม่ได้ฆ่ามันดาปิจุขาตเราก็ไม่ได้ฆ่าบิดาอรหัตตุคาตเราก็ไม่ได้ฆ่าพาระอรหันต์โลหิตุบาตเราก็ไม่ได้ทำลายพระพุทธเจ้ายัางโลระโลหิตทั้งห้อง้นไปสั้นกรเภทเราก็ไม่ได้ถือไม่ได้ทำให้สงแตกกัน อันยัตชัตุเทศเราก็ไม่ถือศาสดาอื่นนี่ใช้มาผลยีพานของพวกเรายังมีอยู่ีนี่ยังไม่เป็นคนอาภัพแต่คนไม่เข้าใจในเรื่องสังฆเภศท้าราชก็ไม่เข้าใจพระพิสุบางท่านก็ไม่เข้าใจสมัมเณีบางท่านก็ไม่เข้าใจสังฆเภศเป็นของละเอียดมาก ผู้อยู่ในนิกายเดียวกันจึงทําสังฆเภศได้เป็นต้นว่าอยู่ในสีมาอันเดียวกันในวัดอันเดียวกันลวงโอโบสวดรวมกันอยู่เป็นนิกายเดียวกันด้วยทําพยายามทําสงให้แตกกันโดยไม่มีเหตุผลสงแตกกันไปทางละสองฝ่ายฝ่ายละสองลูกรวมเป็นสีก็าตามหรือมากกว่ า, านกวาดตามนับแต่ฝ่ายละสองลูกไป แล้วม่ยอมลงอุโบสถด้วยกันด้วยทํามด้วยวินัยสิ่งที่ทําให้แตกกันก็มีวิวาราธิกรเกิดขึ้นจิงนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมนี่เป็นคู่หนึ่งสิงนี้เป็นวินัยสิ่งนี้ไม่เป็นวินัยนี่คู่หนึ่งสิ่งนี้พระธาปุจเจ้าทรงบัญญัติไว้สิ่งนี้พระถาปุจจเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สึ่งนี้พระธาคุเจ้าทรงตัวพฤติมา สิ่งนี้แต่เท้าข้เจ้ามันจะทรงประพฤติมาสิ่งนี้เป็นอาบัตเบาสิ่งนี้เป็นอาบัตหนักเขียงมันเป็นคู่คู่คู่ใดคู่หนึ่งสิ่งนี้เป็นอาบัตหยาบคานสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นอาบัตหยาบคายสิ่งนี้เป็นอาบัตมีส่วนเหลื อ, ส, อ, ส, ลอสิ่งนี้เป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือสิ่งนี้เป็นอาบัต หาส่วนเหลือไม่ได้สิ่งนี้เป็นหน้าบัตทหามีส่วนเหลืออยู่เป็นคำเดียวกันที่พูดเมื่อกี้คู่ใดคู่หนึ่งเกิดวิวาทาชยกรทุ่มเทียงเกียงงอนกันขึ้นแล้วก็แตกมายอมลงโมโบสุ ด, ด้วยกันฝ่ายของใครของมันก็ควอมกันไปเรียกว่าสู้แตกกันเป็นสองฝ่าย อันนี้ยังมีเหตุผลอยู่<ม>เป็นเพียงสังฆร า, าชีมไม่มีเหตุผลเสียเลยประยุตทางนั้นประยุต์ทางนี้<ม>ก็เลยแตกอันนี้เป็นเพียงสังฆร า, าชีคือความล่าลางไม่ถึงกับสังกเพศสังกเพศหนักไปกว่านี้ประยุทธไปแย่ ให้แตกกันโดยไม่มีเหตุผลทางละสองฝ่ายไม่มยอมรวงโหวสุดตัวกันเลือกมาทำสังฆเพศถ้าพวกกันแตกกันไปแล้วจุกนรกห้ายกับห้ายกันผู้ใดทำอย่างนั้นทีนี้ผู้ที่จะทำสังฆเพศได้ก็คือภิกษุอยู่สมานสังวาดเดียวกัน โยมก็ทําสังฆเพศพระไม่ได้นางภิกษุณีก็ทําสังฆเพศพระไม่ได้นางชิคามานาก็ทําไม่ได้ภิกษุต่างนิกายกันก็ทําไม่ได้เช่นมหานิกายก็ทําสังฆเพศธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทก็ทําสังฆเพศมหานิกายไม่ได้จะทําได้แต่ผู้อยู่สมานสางังวรอันเดียวกัน ข้สังเพตเป็นคำลึกพวกเราไม่ได้ทำหรอกมีนิสัยมาพ้นในพรานอยู่ทุ ก, ท, กท่าน ท, ทุกคนถ้าเราต้องการพ้นทุกถ้าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบมันก็พ้นจริงๆเพราะไม่ใช่คนอาภัพเมื่อทุกข้ามาในข้าวิดาปีทุกข้าก็มาในข้า ปาระชิตในมนุษย์ไม่มีในเราเราเป็นมนุษย์เต็มภูมิผ่วงพลทุกในปัจจุบันในชาติ เป็นผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้มีเจตนาผู้มีความประพฤติผู้สนใจผู้ใคร่ควรสนใจในธรรมชนะความสนใจทางปวงในโลก ธรรมกาลวังพระโหตุผู้ใครควรทําเป็นผู้เจริญผู้ไม่ใครควรทําเป็นผู้เสื่อมผู้ยินดีในธรรมนําความเจริญนําความเจริญมาให้แก่กิจใจและความประพฤติและความปฏิบัติเป็นเดือนในข้างขึ้น นักวันจะเพนเรียกว่าดีคูณดีผู้ที่ไม่ถือพระพุทธศาสนาก็บาปคูณบาปก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ที่เคารพพระพุทธศาสนาตามสติกำลังของตนปฏิบัติอยู่ไม่ถอยก็คือบุญคืนบุญนั้นคูณบุญนั่นเองมักคูณมักผลคูณผ ล, ผล เผู้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญพระโสดาบันก็มาจากพุทธชนคนหนาพระสัจธรรมีก็มาจากพระโสดาบันพระอนาคามีก็มาจากพระสัจธรรมีพระอรหันต์ก็มาจากพระอนาคามี สำเด็จพระบรมศ า, ศาสดาเขามาจากพุทธชนคนหนาทีแรกแต่พยายามเอาจนสำเร็จไม่เหลือวิสัยจะขนทั่งให้เป็นเข้มสักเพียงใดก็ตามก็ไม่ยอมลดละถือว่าเรายินดีในสิ่งที่ควรยินดีแล้วถือว่าเราบูชาในสิ่งที่ควรบูชาแล้วไม่เป็นโมฆะ บุคคลผู้มีปัญญาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติย่อมนับถือในสิ่งที่ควรนับถือย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาไม่มีการสงสัยสิ่งใดๆในพระพุทธศาสนาที่แต่จะกั้งหน้าปฏิบัติเท่านั้น ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราให้มากหรอกจิ้นอยู่ไม่ถอยก็ต้องอิม่มดีคุณดีอยู่ตะพื้นตะพือก็ต้องถึงความดีบางขณะพระบรมศาสาดาหาอุบาย อ น, นุนเดีย๋ยวนี้เธอถึงพระสวสดาบันแล้วแต่ว่าเธอละลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งวันละร้อยครั้งพระเจ้าข่าเออเธอยังประมาทอยู่ความกบลมหายใจเข้าออกยิ่งดีอ น, นุนเอ๋ยผู้พิจารณาความตาย มียานหรือสามประการรู้ว่าตนจะต้องตายรู้ว่าความตายจะมาถึงตนหนึ่งตนจะต้องตายเป็นแท้หนึ่งเกิดสังเวชสลดจิตหนึ่งมหับพรามหานิสังสามีอนิสง์มาก ทำไมอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ป่วยป่วยกันสุดถ่ายเป็นเลือดออกเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเพราะแบกฟืนไปร่มร่มแล้วประมาณหนึ่งเดือนก็ถ่ายออกเป็นแท่งเป็นแท่งเลยแทงขนาดนี้เลยเหนื่อยมากวันนั้นตั้งสามชิคลั่งไปถ่าย ยังไม่มีใครรู้จักนอนอยู่กุฏิคนเดียวพอถึงเวลาสง่์น้ำหลวงปูม่มั่นท่านล่าบไปไหนไม่เห็นมากับเขาพระองค์หนึ่งบอกว่าก็ผมไปพบท่านท่านนอนตะแคงข้างขวา อ, อยู่ ท่านไปถ่ายท่านเล่าให้ฟังว่าประมาณสามสิบครั้งแต่ก็เหนื่อยมากท่านไปถ่ายเป็นเลือดเป็นแทงเป็นแทงออกทีนี่พอท่านได้ยินท่านก็เครียดที่นี่ คราวนี้จนกรอกแล้วคราวนี้จนกรอกแล้วท่านตะโกนมาตะโกนมาอยู่ที่ห้องหน้าจนกรอกแล้วจนกรอกแล้วคราวนี้เอาให้ดีเอาให้ดีจะเห็นดีกันในคราวนี้แหละเปนผู้เดี๋ยวนึกได้ที่นี่ธรรมดามากดี นายสารชีเคียนนายสารชีเคียนต้องวิ่งให้ได้สามโย์เราก็นึกอย่างนั้นทนีพอได้ยินเอนจะแคงข้างขว า, ขาอยู่กำหนดลมให้ใจขอเราเห็นแต่คนอื่นตาย เราไม่เห็นตัวตายส่วนตายจากเช่าสายบายเที่ยงเราเห็นแล้วแต่ว่าตายสิ้นลมปานเราไม่เห็นทีนี้เราจะต้องดูจ้องดูเราตายอย่างนี้เราจะสิ้นลมปานพ่องกลมเข้าหรือลมออกเราจะต้องจ้องดูมันลมมากระทบที่ใดเราจะจ้องทั้งบริกรรมด้วย ลมเข้าก็บริกรรมวัดายลมออกก็บริกรรมวัดายอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงติดต่อกันอยู่ในที่ลมมากระทบจนลีดไม่จะดุกเห็นชัดที่นี่เกิดปัญญาขึ้นมาในนั่นอีกทมของพระบรมศาสดาไม่ได้ตายไปไหนหรอกตายแต่สังขารนั่นแหละ เกิดปฏิพานขึ้นมาในตัวทีนี่พลิกใหม่ที่นี่ลมเข้าก็ไม่ตายลมออกก็ไม่ตายบอกก็ไม่ตายไม่ตายไม่ตาย พ, พ่อลมเงพอลมออกจิตรวมเป็นอุปจารสมาธิทีนี่เผาะขึ้นเลยเผาะขึ้นบนกุฏิปากฏทะลุเมฆนอนขวางอยู่ นอนจะแคงข้างขวาขว้างอยู่เออนี่สิมันจึงเป็นสมาธิให้คะแนนตัวหนูบนอากาศนั่นอุปจารสมาธิน่นานนานนานจึงถอนออกมาพอถอนออกมาก็มาเห็นลมออกลมเข้านี่ก๊กก๊กก๊ก๊จิตจึงฟุ่งไปทางอื่น นี่ไปกราบหาอุบายเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่บอกว่าไม่ใช่นอนหลับดอกจิตรวมในเวลานอนท่านว่าอย่างนั้นเนจิตละเอียดด้อยกเกินท่นพูดอ่าแล้ว ที่นี่ปีหนึ่งออกเที่ยววิเวกเดือนพฤษภาคมกลับคืนมาใครไปเที่ยววิเวกปีนี้ไปเที่ยวเล่นเฉยๆไปหาจินขนมเขาเฉยๆได้ยินว่าเขาทำบุญที่ไหนก็แวะไป ถ้าหากว่าพระเยซจริงๆถามก็ต้องได้ความเข้ามาในสำนักถามใครไม่ได้ความเราจะมาให้อยู่ด้วยองค์ท่านพูดอย่างนั้นแล้วก็ไปที่แรกไปกวกน้องปู่มหานานเข้าเราเก็บไข่เวลาท่านไปไปคนละเหตุทีนี้บอก ยินว อ, นองค์ท่านว่าถ้าหากไพักอยู่กับท่านในกยจกามหาหลวงปู่มหาเลยสองเดือนระพักอยู่ในป่าเจ้นวันเว่นวั น, ว น, วนบางทีก็ห้าหกวันแล้วก็จับไข้เป็นไข่เว่นวันแต่ไปได้มาได้อยู่ก็เลยลาท่านนี้ ก็ผมจะไปทางอื่นทำให้พระอาจารย์ช้าเพราะจะลำคานกั บ, กบผมก็ผมต้องยกธงขาวไปคนเดียวถ้าหากว่าถ้าอาจารย์ถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่ก่อนแล้วทรงพระกรณาบอกว่าท่านล่าจับไข้ามากแล้วก็เกรงกับผม ก็เลยลาหนีไปแมไรทะเลาะวิวาดอะไรกันหรอกขอให้พระอาจารย์ทรงกรุณากร า, าบเท่าทุนถวายพระอาจารย์ใหญ่มั่นให้ด้วยถ้าไม่กล่าวอย่างนั้นท่านจะตีความหมายว่าไปด้วยกันสองคนไม่ลงกันแล้วก็แตกกันหนีเราจะไม่ให้อยู่ด้วยท่านจะตีความหมายไปอย่างนั้น ท่านก็ยิ้มท่านก็ไปถึงก่อนจริงท่านก็เล่าให้ฟังพระอาจารย์ใหญ่ก็ยิ้มท่านเล่าให้ฟังทีนี้เราก็สัทเซพเนจรไปองค์เดียวพูดรวบลัดไปสกอดประพักอยู่ที่ป่าบ้านพลงาม หนึ่งเดือนพอคุ้มค่าเขาทำนางร้านให้ได้ก็าลาไปจะไปทํำพระเด่นที่นี่แต่ไข่ ย, ยังไม่หายไข่วันเว้นวันอยู่นอนไข่ยอยู่คนเดียวไม่ให้เขามาเฝ้าเขาทำกระต๊อกกระนน่ำมาแล้ววันจะไป เราไม่เล่าให้ฟอกเขาฟังอีกพักอยู่นั่นเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยแต่ก็ไม่พอเดือนขาดอยู่วันหนึ่งยี่สิบเก้าวันถ้าหากนับในวันเดือนกุมภาพันธ์ก็พอเดือนถ้านับเดือนอื่นก็ไม่พอถ้าสมมุติว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องพอเพราะกุมภาพันธ์มียี่แปดวันบ้างยี่บเก้าวันบ้าง ไม่ถึงสามสิบเขาก็ไม่อยากให้ไปเมื่อตกลงสุดท้ายวารวบพูดรวบ ล, ลัดไปเช่ยก่อนเพราะมันจะยาวตกลงคล้องไปค่้องมาไปทำพระเวทก็มีคนอยู่แล้ว กลับมาทำพาเยนเรวบรับไปย่ อ, ยอดๆเถอปะปฏิบัติอยู่เดือนหนึ่งไฟไม่มีถามหาไฟก็แสงเดือนแสงดาวเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่มีใครมารับประกันให้ นอนก็ไม่มีหมอนมุ่งก็ไม่ในกลางยม่ในถ้ำถ้าทำแคบไกลบ้านสี่กิโลเมตรร้อยเส้นพอตกตีนเขาก็ถึงบ้านเขาชั้นวันเว้นวัน วันไหนจะฉันก็บอกเขาวันไหนจะไม่มาก็บอกเขาเอ๊ะเรามาคนเดียวเราอยู่องค์เดียวเปี่ยกา ย, ยาทีนี่เรายังเป็นนี่เรายังเป็นผู้ต้องหาอยู่ภาวนาอย่างไม่ในความ พอบินธาบาทออกจากบ้าทก็ถามเขาที่ไหนมีน้ำบอ่บอบ้างคุณโยมอาตมาต้องการจะชั้นแล้วจึงจะขึ้นไปไม่ต้องการจะสภพยบาทขึ้นไปชั้นที่ภูเพราะมันหนักเพราะเราก็รักษาวงตระกูลเราอยู่คนเดียวชั้นไหนเขาเห็นเชีย เดี๋ยวถ้าเราหัอบาดขึ้นไปชั้นบนภูเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเอาข้าวไว้เย็นไว้กินไว้ฉันฉันน้อยชั้นมาเราฉันเนี่ยเขาเห็นเสียแล้วเราสะพายบาดว่างว่า ง, างขึ้นไปบาดเปล่าเปล่าขึ้นไปยังดีกว่าที่เราจะไปฉันบนภูเขาเพื่อนโทษเราเขาจะบาด แต่เราไม่ทำโทษเขาเพียงโทษมันก็ไม่เป็นโทษก็จริงอยู่แต่ว่าเราต้องรักษาบ้างเพี่งเขาจะบาปนึกในใจอย่างนั้นเขาก็บอกว่ามีน้ำอยู่ที่นากับผมเป็นน้ำสะอาดดีกับผมจะไปปฏิบัติท่าน เขาก็มาคนหนึ่งชื่อจานเสนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ถามหาอยู่แต่เราก็ไม่อะไรส่งข่าวเขาเลยนานหลายปีแล้วฉันเสร็จแล้วก็พินหลังใส่กันละพรุ่งนี้อาตมาจะไม่มาหรอกโยมจานเอ๋ยจะเว้นวันฉัน เพราะกว่าจะขึ้นถึงก็สี่โมงกว่ากว่าแล้วเกือบ5้านะครจะเว้นวันฉันอนอกภาวนาอยู่ที่นั่นเกิดชังเวทสลดจิตมากในพระพุทธศาสนาน้ามตาไหลไม่ขาดไม่ใช่น้ามตาไหลนึก ถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกกลัวหรือนึกนึกขยาดอันไรอันหนึ่งจิตลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมตาไหลน้อมในใจว่าท่านผู้นิสัยชอบภูเขาข้างพุทธการท่านก็ต้องอยู่อย่างนี้ละ เราสันนิษฐานพอสันนิษฐานลงไปตัวน้าตาเลยเลยเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวกระดิกที่ไหนมันลูกของมันไม่ต้องลําบากเด้วย้ายแลยขวาเหยียดซ้ายเหยียดขวาพินหน้าพินหลังก้าวสั้นก้าวยาวมันลูกของมันเองไม่ต้องบังคับพร้อมกับภาวนามันมีอันใดก่อนในหลัง ในลานอนมีนอกฟูหนึ่งมานอนอยู่ข้างหัวเราไม่ได้กลางมุกเพราะมันแคบไม่จริงไม่กลมกลมขนาดนี้เขาทำนั่งร้านไว้แล้วก็เอาใบขาป่าเขาเรียกว่าใบปุดมะกู ด, ปดปนนกดเข้ามาใกลาง นอนเปื่ออยู่พอใจโซเป็นโซตายอย่างแยบคายเยือกเย็นมากจิตใจไม่กลัวตายอาจหานแบบเคารพอจหารแบบอ่อนน้อมเวลาก้าวไป เหยียบดินก็รู้จักยังไม่เหยียบก็รู้จักขาซ้ายขวารู้จักหมดทิศหน้าทิศหลังรู้จักหมดความกับภาวนาไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังพักอยู่นั่นเดือนหนึ่งวันหนึ่งลงมาบินทบาทไปพบหมูป่า ทางเป็นทางเป็นทางเลี้ยวเป็นทางเอี้ยวๆมีก้อนหินก้อนหนึ่งมันอยู่นี่มันอยู่ที่กรงเราพอไปก็เยี้ยวไปทางนั้นเอี้ยวมาทางนี้งูป่ากสูงขนาดนี้พอเราไปเราก็ยกขาขวา กำลังจะเหยียบลงถึงดินไม่ทันเหยียบเลยข้างอยู่อย่างนี้หมูก็ยืนอยู่ก็มีสติรู้จักว่าตนข้างอยู่เพราะภาวนาไปพอบข้าเก้าออกเดินข้างลกอยู่อย่างนี้หมูก็ยืนอยู่นั่นพินามาตอบเจ้าของโดยเร็วพนันว่าเรามาเจอมันโดย แม้ใน อ, อนัตถัญญามันไม่ทำอะไรดอกมันก็เสียสติพอมันฟาตัวเดยข้างนนะพอนึกว่าเดี๋ยวมันจะไปหดอกเพราะมันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันจะทกท่ทาเลยพอเห็นก็ตอบตามสมมติว่าหมูเลย ท, ทีเดียวหมูเลยทีเดียว เดี๋ยวมันจะไปนึกอย่างนั้นเพราะว่าม่อว่างคำลงมาก่กนพวกพวกมันโกลยิงไปวิ่งช้ท่าเนียลูกของมันแตกออกนี่แต่ก่อนเราไม่เห็นลูกของมันมุกไปเลยแล้วภาวนาต่อไปอีกไม่นึกกลัว นักในภาวนารวมรู้ไม่รวมก็บริกรรมอยู่อย่างนั้นกว่านางน้ำก็บริกรรมอยู่เดินไปก็บริกรรมอยู่ไปส่งน้มก็บริกรรมอยู่บริกรรมภาวนากรรกลับอยู่ไม่ถอยวันหนึ่ง <c oughs> ลมละเอียดเข้านั่งอยู่ประมาณเที่ยงคืน เกิดปีติเกิดอิ่มใจขึ้นแต่ว่ามีสติอยู่ร้องขึ้นเสียงดังคนเดียวถ้าคนอื่นเห็นก็เรียกว่าบ้าลมละเอียดเข้าไป ก็ก็ก็ก็ก็อยู่ที่นี้ไม่ได้ตามลมออกมามาที่นี่ไม่ได้ตามจนมาถึงนี้มองอยู่ที่หลอดลม <ś naive> มองอยู่ที่นี่ติอยู่ที่นี่ลมเข้าไม่ผ่านหลอดลมจะไปผ่านที่ไหนลมออกไม่ผ um ่านหลอดลมจะไปผ่านที่ไหนจ้องอยู่ที่นี่ไม่ตามมานี่ไม่ตามลงนี่ นี่เกิดปฏิพานขึ้นผู้พ้นก็พ่นไปแล้วไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมเข้าลมออกผู้ถือว่าไม่มีบาปมีบุญก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมเข้าลมออกผู้ตะเกียร์สกาอยากจะพ้นก็เหมือนเรานี่เองไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมเข้าลมออกเวลานึกอย่างนั้นไม่ลืมลงไม่ใช่ว่าพุ่งซ้างไป ไปตีโวหารแล้วลืมลมไม่ไม่เป็นอย่างนั้นรูปพร้อมกันไม่มีอะไรก่อนอะไรเราเออติปีติมันแรงก้าเดี๋ยวจะเป็นบ้านนะนึกใส่จอกใ ส, ใ ส, ใส่ใส่ตนเองถ้ารู้จักว่าตนจะเป็นบ้าก็อยากเป็นสิมันตอบมันตอบมันเอง เออได้ความนถึงเลยถึงกลับถึงพระอาจารย์ใหญ่ในเรือนพุทธภาคมค่อยกลับมาท่านก็ถามภาวนาเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงกลับถึงท่านองค์เดียวท่านกล่าวว่าเออมีนิสัยแตกหมู ชอบไปองค์เดียวชอบอยู่องค์เดียวแปลกไปทางนี้ทางช่วท่านทาไมอธิบายกราบเรียนท่านท่านก็บอกว่าพิจารณาตามเป็นจริงเหนี่ยงข้งขานี้เป็นศรัทธาที่เชื่อว่ามีมรรคผลในควานอยู่ศรัทธาขั้นนี้จะไม่ถอยหลัง อุปจายะสมาธิที่ผ่านมาสารพัดมันจะเป็นบางทีเตียงพาหอขึ้นบนอากาศออกปฏิวัติใหม่บางทีหอไปทะลุภูเขามันปรากฏแต่มันก็ได้เพียงแค่นั้นนหะ เพราะมันเป็นสมาธิในอุปจ า, าจาระสมาธิจานะแปลว่าไปตามนิมิต <c oughs> บางทีภูเขาทางลูกกระเด็นขึ้นบางทีก็เหาะขึ้นบนอากาศตีลังกาเลยเวลาตีลังกาเนี่ยผ้าช้งขากเ็เลยเวยบอยู่ไม่ได้พัน ปรากฏถ้าสบงก็แทนที่ว่าจะมาพันกับเอวก็ไม่พันจะเรียบอยู่เวลาพินเท้าขึ้นบนอากาศเวลาตีลังกาบางทีเดินเดินยกลมทางอากาศบางทีนั่งนั่งขัดสมาธิทางอากาศบางทีลอยไปลอยไปนอนไป ในอากาศสารพัดมันจะเป็นสมาธิชั้นนี้ใครๆก็ต้องผ่านหมดนักปฏิบัติแล้วพันสีบห้าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าางทีภูเขาทั้งลูกกระเด็นขึ้นสมาธิมีอรอยงชนิดหนึ่งไม่ได้ยินเสียง พารวมพับเข้าไปเลยเงียบมดเสียงรูปรากฏว่าแตวา่ว่ามันอยู่เท่านั้นไม่ได้ปรุงสมาธิแบบนี้ไม่ได้ปรุงไปทางอื่นแต่เวลามันจะออกมันก็ออกเหมือนที่มันเข้ามันก็ปรากฏพับเหมือนกันเหมือนเราเปิดประตูเข้า เวลาออกก็แอ๊เหมือนกันมันปรากฏอย่างนั้นมันก็มีสงรัศมันจะเป็นแต่ว่านิสัยของเรามันจองหองที่นี่สิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอันนิ่งังเกิดขึ้ น, นเม้่อพอไปรดับมันตัดสินอย่างนั้นเสม่สมอเหตุฉะนั้นจึงไม่ ไ, ม ไ, มได้เป็นบ้า ไมไ่เป็นวิปัสสนุงแล้วเป็นสาคัญตัวประเสริฐเพราะมีสิ่งที่จัดจำนวนอยู่บริกรรมเป็นของสาคัญมากภาวนาไม่หนักในบริกรรมไม่อยู่เหลี่ยว่านั่นคว้านี่ต้องหนักในบริกรรมบริกรรมเรียกว่ากากับอยู่ แต่สังเทศลบปูม่นท่านปลารบธรรมะ ท, ท่านช่นต่ำท่านสูงอะไรรู้จักหมดรู้จักพ่องกับลมเข้าลมออกพอท่านเทศแล้วเขาเข้าสมาธิเลยท่านกำหนดลมหายใจเขาออก ฟังถนัดดีถ้าเราภาวนาพุทธโธสิ่งหดๆมากระทบทางต า, งตางหงจูจมูกเลื่อนกายจิตมันก็ไหลลงสู่พุทธโธหมดถ้าเราภาวนาความตายสิ่งหนสิ่งๆที่มาผ่านมันก็ลงไปหาความตาย มันโอนข้อประหาหมดเพราะแม่เหล็กอันนั้นมันดึงดูดอยู่เมื่อเราพิจารณาอานิจจังสิ่งไหนที่มาผ่านในอดีตอนาคตหรือละเอียดละเอออสักเพียงไหนก็าตามแม่เหล็กมันดีมันก็ดูดมาเป็นอนิจจังเท่านั้นไม่ไม่สงสัยถนี่ถ้าเราพิจารณาร่างกระดูกถีนี่ สิ่งไหนที่มาผ่านทางกลางหูจมูกลิ้นหรืออดีตอนาคตมันก็น้อมลงในร่างกระดูกบทเนี่ยเพราะแม่เหล็กอันนั้นเป็นเครื่องดึงดูดอยู่แล้วถ้าเราพิจารณาทุกเป็นอารมณ์ค่อมอารมณ์มันจะถอ สิ่งไหนที่มาผ่านแล้วก็น้อมเข้ามาหาทุกหมดถ้าเราพิจรารณาอันไม่เกิดไม่ดับที่ช่องกลมเข้าลมออกสิ่งไหนมาผ่านแล้วก็โอนเข้ามาหาอันสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะอาจารย์เอานั่นดึงอยู่